วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายเรามีสมบูรณ์แล้วร่างกายเราไม่ขาดปัจจัยสี่คือไม่ขาดอาหารไม่ขาดเครื่องนึ่งหม่ม ไม่ขาดที่อยู่อาศัยไม่ขาดยาวรักษาโรคที่พึ่งทางร่างกายเรามีพอแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือที่พึ่งทางใจใจของเรายังวุ่นวายใจของเรายังมีความทุกข์มีความไม่สบายใจเพราะเรายังไม่ได้มีที่พึ่งทางใจกัน เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมมาทำทานมารักษาศรรีลเพราะการทำทานการรักษาศรรีลการภาวนาการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนี้ก็คือความสงบของใจนั่นเองความระงับ จากความโลภความโกรธความหลงจากความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจเราจึงต้องมากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล โดยการภาวนาคือการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเรามีการบำเพ็ญทานศีลภาวนามีการเจริญสติสมาธิปัญญาเราก็จะมีที่พึ่งทางใจมีความสงบใจ เพราะการกระทำการบําเพ็ญศีลทานภาวนาการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เป็นการระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบไม่มีความสุขนั่นเองดังนั้น เป้าหมายของพวกเราในการสร้างที่พึ่งทางใจในการทำใจให้สงบก็คือการระ ง, งับการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราขอให้เราอย่าลืม เ, เป้าหมายอันนี้ พอเวลาที่เราปฏิบัติกันเราจะถูกความหลงหลอกให้เราลืมเรื่องของการกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากเช่นความอยากในกามกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวตัณหา เราจะไปหลงกับการเจริญทานศีลเจริญรสมาธิสติปัญญาเพื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไป เ, เครื่องมือที่เราใช้เพื่อที่จะมากำจัดกิเลสตัณหา ก็กลายเป็นเครื่องมือที่มาสนับสนุนเสริมสร้างให้เกิดกิเลสทันหาเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแยบยนเรื่องของกิเลสนี้สามารถพิกแผงการกระทาความดีให้เป็นการกระทา ที่ไม่ดีได้คือไม่ได้ผลที่พึงจะได้คือความสงบใจกับไปทําให้เกิดผลที่เป็นตรงกันข้ามกันคือความวุ่นวายใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจเช่นกรณีการทําทานนี้ถ้าไม่ พุ่งเป้าไปที่การกําจัดความโลกความเห็นแก่ตัวที่เป็นความหลงความยึดติดที่เป็นอุปทานในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรแต่กลับไปทำเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพิ่มมากขึ้นไปเช่นมีการโฆษณาให้ทำทานทำบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้เพื่อที่จะได้ให้ร่าให้รวยเพิ่มมากขึ้นไปซึ่งความจริงมันก็มีผลเหมือนกันแต่นี่ไม่ได้เป็นผลหลักของการทำทาน ในทางของพระพุทธศาสนาผลเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักของการทำทานเพื่อกำจัดความโลกอยากได้มากความมากมากอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเรามีมากเราก็เลยเอาเงินที่มีมากเกินไปนี้มาแบ่งปันเอามาแจกจ่าย ให้แก่ผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้มีไม่มากจนเกินไปเพราะการมีทรัพย์มากนี้มันเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะทําให้จิตใจของเรามีความหวงมีความห่วงความหวงนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งความห่วงก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งความเสียดายก็เป็นความทุกข์อีกอย่าง เราต้องการกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปด้วยการมีเท่าที่พอต่อการดำรงชีพไม่ต้องการให้มีมากไปกว่านั้นเพราะถ้ามีมากไปกว่านั้นก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นการอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นิยมกันเท่ไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวตามเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่อยากจะไปอันนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของตัณหาของความอยากแล้วหรือการที่เอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นแล้วก็เป็นของมีราคาแพงๆที่ล่อตาล่อใจ ถ้าหลงไปใช้เงินทองแบบนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างตัณหาความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วซื้อมาได้มาแล้วจะไม่ได้ทำให้ความอยากนั้นน้อยลงไปแต่จะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นคนบางคนที่มีอำนาจวาสนา มีเงินทองมากมายซื้อรองเท้าได้เป็นร้อยคู่พันคู่ทั้งๆ ท, งที่เท้าก็มีอยู่เพียงคู่เดียวแต่รองเท้านี้กลับมีเป็นร้อยเป็นพันคู่อันนี้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาความอยากเห็นรองเท้าแล้วอดไม่ได้อยากไม่ได้อดที่อยากจะซื้อมาไม่ได้ ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้สวมใส่ซื้อมาแล้วก็วางไว้เก็บไว้ดูเล่นเพราะความอยากนี่เองบางท่านก็มีรถยนต์เป็นสิบเป็นร้อยคันก็เพราะความอยากเช่นเดียวกันเนื่องจากมีทรัพย์มีเงินทองมากพอมีเงินทองมากความอยากมันก็ทำให้เราคันคันไม้คันมือคันไปหมด อยู่ไม่เป็นสุขต้องซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้มาซื้อมาแล้วก็กลายเป็นภาระกับจิตใจต้องมาคอยดูแลรักษามีรถห้าสิบคันร้อยคันก็ต้องสร้างโรงเก็บรถต้องจ้างคนมาดูแลรักษารถให้อีกอันนี้เป็นเรื่องของ การไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจกับใช้ทรัพย์ทําให้เกิดโทษขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงต้อง ส, งสอนให้ทําฐานกันให้แบ่งปันกันเรามีเงินทองมากเกินความต้องการเราไม่ควรที่จะเอาไปใช้ในการเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้น กาะจะทำให้ใจของเรานี้มีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์น้อยลงแล้วเวลาทำทานก็อย่าไปทำทานเพื่อให้ล่ำให้รวยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่มีข่าวว่าทำบุญกัวัดนั้นวัดนี้แล้วจะร่ำจะรวยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ได้ทำทานเพื่อตัดความโลภ แต่เป็นการทำทานเพื่อเสริมความโลกแต่ไม่ปฏิเสธว่าการทำทานนี้มีอนิสงส์มีผลพลอยได้แต่มันเป็นผลพลอยได้ในภพหน้าชาติหน้าคือตายไปแล้วก็จะได้กลับมาเกิดมีฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิม อันนี้ไม่ปฏิเสธแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ส่งบำเพ็ญมาแล้วแช้นส่งสมัยเป็นพระเวชสันดรก็ทส่งทํา ท, ทานอย่างใหญ่หลวงแต่การทําทานของท่านไม่ได้ทําทานเพื่อเพิ่มความโลภเพื่อความร่ำรวยแต่ท่านทําเพราะท่านต้องการกําจัดภัยที่มีอยู่ในใจของท่านคือความโลภ ความตนีความเห็นแก่ตัวความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปอันนี้ต่างหาที่ท่านทำกันทำเพื่อตัดกิเลสตัณหาตัดอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นตัดความหลงคืออัตตาตัวตน ทุกวันนี้ที่เราทําอะไรต่างๆนี้เราทำเพื่ออัตตาตัวตนเป็นหลักซึ่งอัตตาตัวตนนี้ไม่ได้เป็นของแท้ของจริงเป็นของปลอมเป็นของที่ความหลงผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ใจต้องมาแบกมาหามมาทุกอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนอการทำลายอัตตาตัวตนนี้แหละ ที่จะทําให้ใจได้ปล่อยวางอความปล่อยวางของหนักเหมือนก้อนหินหนักที่แบกอยู่ผู้ใดถือตัวถือ ต, ตนมากเท่าไหร่ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นผู้ที่มีความถือตัวน้อยหรือไม่ถือตัวเลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยเพราะไม่มีอัตตาตัวตนมามาแบกนั่นเองอ ดังการทำทานนี้ก็ทำเพื่อให้เกิดการเสียสละเกิดการจาคะ เ, าเกิดการลดละความเห็นแก่ตัวแทนที่จะทำอะไรเพื่อความสุขของตนก็ทาเราก็มาย้อนสอนความหลงนี้ด้วยการกระทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเช่นทำทานดังนั้นการทำทานนี้จะทากับใคร ก็ได้ทั้งนั้นตอบใดที่ไม่ได้ทําให้กับตัวเราเองเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าเราทําทานแล้วเราไปพุ่งเป้าอยู่ที่การผลตอบแทนที่เราจะพึงได้รับไอ้อย่างนี้ก็ถึงแม้ ว, ว่าจะไม่ได้รับภายในภพนี้ชาตินี้แต่มันก็ยังเป็นความหลงอยู่เป็นความโลภอยู่ เราต้องทำโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้ใดเลยเช่นมีการกระทาที่เรียกว่าการปิดทองหลังพระนี่เป็นการกระทาที่ไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากใครต้องการทำเพื่อลดละอัตราตัวตนต้องการลดความตนันหนีความโลภต่างๆความยึดติดในซรับสมบัติเข้าของเงินทอง ทำโดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องประกาศชื่อไม่ต้องรอรับรางวัลที่เรามักจะเห็นเป็นการกระทํากันทําแล้วก็ต้องติดชื่อกันประกาศชื่อกันว่าคุณนั้นคนนี้ได้บริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วถ้าบริจาคมากก็จะได้รับของตอบแทนมากเช่นได้รับพระทองคำหนึ่งรูปหนึ่งองค์ ถ้าทำน้อยหน่อยก็ได้พระเงินหนึ่งองค์ถ้าน้อยกว่านั้นก็ได้รับพระทองแดงอันนี้แนหะเรี่ว่าทาบุญแบบเอาหน้าเอาตาทำบุญเพื่อที่เพื่อความหลงเพื่ออัตตาตัวตนไม่ได้ทำแบบปิดทองหลังพระถ้าปิดทองหลังพระก็คือมีผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม ไวจากเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้พุ่งไปที่การดับทุกพุ่งไปที่เพื่อทำให้ใจเกิดความสงบเกิดความสุขเพราะความสงบสุขของใจนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งของใจได้ การมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาไม่ได้ทำให้ความทุกข์ภายในใจน้อยลงไปแต่กลับทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าอยากให้มีหน้ามีตาอยากได้ชื่ออยากได้เสียงก็คืออยากได้สรรเสริญ น, นั่นเองคำสอนของพระเจ้าทุกบททุกบาททุกขั้นทุกตอนนี้มุ่งเป้าไปที่การกาจัดกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมากำจัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกำจัดอัตตาตัวตนทานนี้ก็เป็นการกำจัดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินไปเท่านั้นเองนั่นคือเป้าหมายหรอกคือต้องการไม่ให้ใจต้องมีมามีมีบ่วง ที่จะดึงให้ใจติดกับอยู่กับการแสวงหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์และกับการรักษาทรัพย์ถ้าติดยึดติดอยู่กับทรัพย์ก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปบปําเพ็ญทำขั้นสูงต่อไปได้นั่นเองดังนั้นผู้ที่ปรารถนาทำที่สูงขึ้นความสงบที่มากขึ้นจําเป็นที่จะต้อง ตัดความผูกพันกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ได้ความสุขมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความอยาก เพราะเวลาที่ได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปได้ทำอะไรมาแล้วก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถทำได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขแต่จะมีความทุกข์เช่นเวลาร่างกายมีอายุมากขึ้นมีความชราภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยพี่กลพิการ เวลานั้นจะหาความสุขทางทรัพย์ทางการใช้ทรัพย์นี่ก็จะไม่สามารถทำได้ก็จะมีแต่ความหุดหงิดลำคาญใจเมื่อเช้านี้ก็มีลูกศิษย์มาเล่าว่าไปเยี่ยมพ่อมาพ่อไม่สบายเป็นโรคปอดทุงลมปป่งพองอทำอะไรก็ทำไม่ได้ ก็มีแต่ความหงุดหงิดน้ำคานใจนี่ก็เป็นเพราะว่าใช้เงินซื้อบุหรี่มาสูบเป็นไปหาความสุขจากการสูบบุหรีจนทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะสูบบุหรี่หาความสุขได้เหมือนเดิมก็มีการอาการหงุดหงิดทรมานใจ นี่หละคือตัวอย่างของการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆตามความโลภตามความอยากมันต้องมีถึงจุดหนึ่งที่จะไม่สามารถทำได้ออร่างกายไม่สามารถทำได้หรือเงินหมดหมดเนื้อหมดตัวคนที่เงินหมดเนื้อหมดตัวนี้สุขหรือทุกข์อยากจะกระโดดตึกตายอย่างนี้เรียกว่าสุขหรือทุกข์กันสมัยมีเงินมีทองนี่ มีหน้ามีตามีเกียรติไปไหนก็มีคนเคารพนับถือยกย่องพอไม่มีเงินทองนี้ก็ไม่รู้ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านออกไปก็ไม่สามารถที่จะทำตัวเหมือนกับสมัยที่มีเงินทองได้แต่ยังมีความอยากความอยากนี้ก็เลยทำให้เกิดความ ทุกทรมานใจเกิดความเครียดขึ้นมาจนถึงกับทนไม่ได้อยากจะเข้าตัวตายอันนี้แหละเป็นภัยที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจการจะใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์กับจิตใจก็ต้องนำเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีมากเกินไปแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องแบ่งปัน สมมุติเรามีพอพอกับการเลี้ยงทีพของเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันอะไรให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้เราก็ไม่ต้องแบ่งปันไม่ต้องรู้สึกน้อยอกน้อยใจที่เห็นคนอื่นเขาทำทานกันแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะทำทานได้เราก็สบายเราก็จะได้ไม่ต้องมา พ, พวกรวมกับการดูแลรักษาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์กับการหาทรัพย์ก็จะทําให้เรามีเวลาว่างมีสถานภาพที่จะสามารถไปเจริญทำขั้นสูงความสงบขั้นสูงต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาการทาทาน นี่ก็ทําให้เรามีความสุขใจมีความสงบใจในระดับหนึ่งถ้าเราทําตามที่ได้พูดเอาไว้ทําเพื่อสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อลดละความผูกพันกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอลดละความโลภอยากได้เงินทองอลดละการเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทอง ที่จะทำให้เกิดความอยากใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่มีความทุกข์กับเวลาที่ไม่มีเงินทองคนที่เอาเงินทองที่มีนี้ไปทําบุนี้เวลายากจนจะไม่คิดข้าตัวตายจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่เคยใช้เงินทองไปกับความอยากแล้วการใช้เงินทอง เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้จะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความภูมิใจเวลาไม่มีทรัพย์ก็จะไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ด้อยแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของการทำทานเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอุปทาน ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจในขั้นของฐานไปในขั้นของศีลก็เช่นเดียวกันเราก็ลดละ ก, การกระทำเพื่อตัวเราเองการข้านี้เราก็ฆ่าเพื่อตัวเราการลักทรัพย์เราก็ลักทรัพย์เพื่อตัวเราการประพฤติผิดปรเวณีการโกหกหลอกลวงการเสพสุรายาเมาเราก็ทำเพื่อตัวเราเอง เป็นการกระทำตามความหลงเราไม่มีตัวตนความจริงแล้วตัวเรานี่เป็นสมมุติเท่านั้นเองเกิดจากความหลงเกิดจากอวิชชาไม่รู้ธรรมชาติแท้ของใจของเราว่าเป็นอะไรธรรมชาติแท้ของเราก็คือผู้รู้เท่านั้นเองสักแต่ว่ารู้ใจนี้เป็นธาตรู้ใจไม่ต้องทำอะไรกับธานรู้นี้ธาตรู้นี้ต้องการความสงบอย่างเดียว ความสงบนี้จะทําให้ธาตุรู้นี้มีความสุขแต่การกระทําอะไรเพื่ออัตตาตัวตนจะทําให้เกิดความทุกข์ตามมาเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําไปแล้วก็จะทําให้เกิดความรูมร้อนใจขึ้นมาการลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันการประพฤติผิดปรเณีก็เช่นเดียวกันการพูดปดมดเทศ็ศเสพชรายาเมาก็เช่นเดียวกัน ทำแล้วไม่ได้ทําให้ใจสงบไม่ได้ทําให้เย็นให้สบายใจแต่กลับทําให้ทุกข์กลับทําให้วุ่นวายใจเกิดความรุ่มร้อนใจหวาดวิตกกังวลขึ้นมากลายเป็นนรกขึ้นมากลายเป็นเดรัจฉานขึ้นมากลายเป็นเปรตขึ้นมานี่คือการกระทําเพื่อตัวเราที่เป็นโทษอย่างยิ่งกับตัวกับจิตใจ โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำลายตัวเราเองการรักษาศีล น, นี้จึงเป็นการที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความรุ่มร้อนให้กัใจของเราผู้ใดรักษาศีลได้ผู้นั้นจะมีใจที่เย็นสบายมีความสงบไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวกับ ภัยต่างๆเพราะไม่มีภัยจะเกิดขึ้นเพราะภัยนี้เกิดจากการกระทํำบาปนี้เองอันนี้ก็เป็นการทําลายอัตตาตัวตนเป็นการสกัดความโลภความ โ, โกรธเช่นเดียวกันความหลงความหลงก็คือหลงว่าเรามีอัตตาตัวตนทำนี้ก็ทําเพื่อตัวเราทําด้วยความโลภอยากได้ทรัพ หาหามาโดยวิธีสุจริตไม่ได้ก็ไปลักขโมยมามาทำผิดศีลข้อสองหรือว่าอยากจะร่วมดับนอนกับสามีกับภรรยาของผู้อื่นก็ไปทำอย่างนี้ก็เป็นการกระทาผิดประเพณีทำแล้วไม่ได้มีความสุขใจทำแล้วก็จะมีความทุกข์ใจมีความ ไม่สบายใจ <c oughs> นี่คือเรื่องของการรักษาศีลรักษาศีลเพื่อลดอัตราตัวตนลดการกระทำที่ทำเพื่อตนเองที่เป็นโทษเพราะว่าจะทำให้ใจนี้ต้องไปใช้กรรมในอบายต้องมีความรุ่มร้อนมีความว่าวุ่นมีความหวาดกลัว ถ้าไม่ได้ทำบาปรักษาศีลห้าได้ใจก็จะเป็นปกตินมีมีความสงบมีความสบายใจอันนี้ก็เป็นการกระทำเพื่อให้ใจมีที่พึ่งในระดับที่สองก็คือการรักษาศีลถ้าอยากจะดำเนิน การทำจะให้ใจสงบขั้นที่สก็คือการภาวนาคือการเจริญสติสมาธิและปัญญาก็จำเป็นจะต้องเพิ่มสินจาก5้าข้อไปเป็น8ข้อเพราะสิน5้านี้จะไม่สามารถที่จะสกัดกิเลสตัณหาคือกามฉันทะหรือกามราคะ ที่เป็นตัวที่จะทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจฟุ้งซ่านถ้ารักษาศีลแปดนี่ก็จะช่วยช่วยสกัดคือร้อมคอกร้อมรัวไม่ให้มันเติบใหญ่เติบโตมันยังไม่ตายแต่อย่างน้อยก็ไม่ส่งเสริมให้มันออกมาเพ่นพ่าน แล้วก็ทําให้ยากต่อการควบคุมบังคับเราก็ต้องล้อมเรือไว้เหมือนกับเราล้อมคอกวัวคอกควายเราไม่ต้องการให้วัวควายออกไปนอกคอกแล้วก็ออกไปสร้างความเสียหายต่างๆเราก็ล้อมคอกด้วยศีลแปลดคือล้อมคอกตัวกามปัญหาตัวกามะฉันทะนี่ที่เป็น นิวรณ์ก็ได้ที่เป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบผู้ที่จะบําเพ็ญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี้จําเป็นจะต้องกําจัดนิวรณ์ห้าให้ได้ถ้ามีนิวรณ์ห้าแล้วใจก็จะไม่สงบหนึ่งในนิวรณ์ห้านี้ก็คือกามฉันทะหรือกามารมณ์นอกจากการมฉันทะก็มี ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหานอนความโกรธหมดไปอย่างค้าแล้วนะหนึ่งสองคามฉันทะลังเลสงสัยความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านแล้วก็ความโกรธอันนี้จะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้ไม่สามารถ ทำใจให้สงบได้เราถึงต้องรักษาศีลแปลดเพื่อล้อมกรอบเรื่องของกามฉันทะไว้ก่อนเราจะไมเ่เสียเวลาไปกับการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเอาเวลาที่จะไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้มาเจริญสติจะช่วยทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านเวลาเจริญสติจะควบคุมความคิดได้ใจจะไม่ฟุ้งซ่าน แล้วรักษาสีลก็หกได้คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำให้ลดความง่วงเหงาหานอนได้ความเกียจค้านได้ถ้ารับประทานมากก็จะง่วงมากจะมีความเกียจค้านมากถ้ารับประทานน้อยก็จะตัวเบาจะไม่ง่วงเหงาเหานอนก็จะสามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ ภาวนาได้จะไม่เสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกับเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังดูละครไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆถือศีลแปดนี้เราก็ตัดเรื่องเราเหล่านี้ไปได้เราจะได้มีเวลามาเจริญสติมาปรีกวิเวกมาอยู่ตามสถานที่สงบสงัด อยู่ตามลำพังเพราะการที่จะทำใจให้สงบนี้จำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบ ก, ก่อนถ้ากายไม่วิเวกแล้วใจจะไม่วิเวกถ้ากายอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเช่นไปนั่งภาวนาอยู่ตามบาตามผับอย่างนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าไปนั่งภาวนาในป่านในเขา ห่างไกลจากแสงสีเสียงบางทีไม่ต้องนั่งเสียได้ซ้าไปอยู่เฉยเฉยมันก็จะสงบได้เพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นกิเลสตัณหาที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองการถือศีลแปดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะเป็นเครื่องมือช่วยทำลายนิวรณ์เช่นกามัชันทะ เช่นความง่วงเหงาเหานอนแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาได้เจริญสติเพื่อที่จะได้กำจัดความฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราปลีวิเวกอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องความโกรธถ้าเราอยู่กันหลายคนเดี๋ยวก็เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ เกิดการกระทําอะไรที่ทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้จึงไม่ควรคุกคีกันถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งฝึกหัดภาวนานี้ก็ยกเป็นกรณียกเว้นเช่นปฏิบัติกันเป็นกลุ่มทีละห้าสิบคนร้อยคนอย่างนี้อันนี้เป็นการหัดเป็นการศึกษาวิธีปฏิบัติเท่า น, นั้นยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ภาวนาจริง ถ้าจะภาวนาจริงนี้ต้องปลีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวต้องไปอยู่ที่น่ากลัวได้ยิ่งดีใหญ่เพราะที่น่ากลัวนี้จะช่วยกำจัดความม่วงนอนได้ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมันจะไม่รู้สึกมีความหวาดกลัวมันก็จะม่วงนอนแต่ถ้ามันอยู่ในที่มีความหวาดกลัวนี้มันจะนอนไม่หลับจะไม่อยากนอน นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทำลายอุปสรรคคือนิวรณ์ทั้งห้าที่เป็นตัวกีดขวางไม่ให้เราเาจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้การหลับนอนก็ไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปนอนพอประมาณนอนตามความต้องการของร่างกาย วิธีที่จะทำไม่นอนตามความต้องการของร่างกายก็คือต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆไม่นอนบนที่นอนที่สบายมากจนเกินไปเพราะถ้านอนในที่นอนที่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาซึ่งก็ไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็จะไม่อยากรุกเพราะมันแสนจะสบายจะทำให้ความขี้เกียจนี้ดึงไว้ ทำให้อยากจะนอนต่ออีกก็อาจจะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงด้วยกันเวลาอันมีค่าที่จะใช้กับการภาวนาก็หมดไปกับการหลับนอนงั้นต้องนอนบนเมื่อพื้นแข็งแข็งนอนบนพื้นไม้ปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อถ้านอนอย่างนี้ไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมาก็จะมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแล้วก็จะไม่อยากนอนต่อจะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมทันทีนี่คืออั น, นิี่สองของการที่เรารักษ า, ษาสีงห์แปดกันถ้าเราอยากที่จะทำลายอุปสรรคคือนิวรณ์ห้านิวรณ์อีกข้อหนึ่งที่เราจะใช้ทำลายก็คือความลังเลสงสัย การจะดับความรังเสดรังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วได้ผลจริงหรือไม่ปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่เราต้องฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจากผู้ที่บรรลุผลมาแล้วถ้าฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุผลนี้จะไม่ประทับใจจะไม่สามารถกำจัดความรังเลสงสัยได้ เวลามีความไม่เข้าใจถามก็จะไม่ได้คำตอบที่ที่แจ่มแจ้งแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วเวลาฟังแล้วก็จะเกิดความมั่นใจส่วนไหนที่ไม่เข้าใจถ้าถามก็จะได้คำตอบที่ที่จะกาจัดความไม่เข้าใจไปได้ การฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้บรรลุผลมาแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำจัดความลังเลสงสัยที่เป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งที่จะไม่ทำให้ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในการภาวนาได้นี่คือเรื่องของการกำจัดนิวรณ์ต่างๆ บีบไม่เวกไม่คุก ค, คีกันไม่คุก ค, คีกันก็จะไม่มีความโกรธกันอยู่คนเดียวจะไปโกรธใครก็โกรธตัวเองเท่านั้นเองแล้วแล้ว ก, วก็นับประทานอาหารพอประมาณอยู่ในที่น่ากลัวก็จะกำจัดความง่วงเหงาหงนอนไปได้มีเวลาจเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปเสียเวลากับการเออ่หาความสุขทาง เครื่องบันเทิงต่างๆก็จะช่วยกำจัดความฟุ้งซ่านได้ถ้าดูเครื่องบันเทิงต่างๆมันก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านตามมาดูแล้วก็เอามาคิดต่อคิดแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่าน <c oughs> นี่คือเรื่องของการกำจัดนิวรที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาพอเราได้มีเครื่องมือกำจัดนิวร น, นี้แล้วเราก็จะได้ มีเวลามาภาวนากันมนเจริญสติการเจริญสตินี้เป็นการปฏิบัติที่สำคัญต่อการทำใจให้สงบใจจะสงบไม่สงบนี้อยู่ที่สตินี้เป็นหลักถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยใจก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบนี้ต้องควบคุมความคิดให้ได้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียว เช่นให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอนดีตอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาในอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องอะไรทั้งนั้นคิดแล้วจะทำให้ใจไม่สงบต้องคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ กรรมาฐานก็คืออารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันอย่างพุทธโธนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติอยู่ในอยู่ในกลุ่มของ อ, อนุสติส0บประการเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอานาปณะสติเทวานุสติมารา น, านุสติกายกตาสติ นี่คือกรรมฐานที่เราใช้ควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราสามารถใช้กรรมฐานเหล่านี้ได้ตามจิตตามความต้องการของเราตามภาวะติตของเราบางเวลาเราอาจจะต้องใช้กรรมฐานชนิดหนึ่งเพื่อกาจัดความไม่สงบของใจเช่นเวลามีการมารม ก็ต้องใช้อสุภะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปพิจารณาความสวยงามถ้ายิ่งพิจารณาความสวยงามจะยิ่งเกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหญ่เวลานึกถึงคนอย่าไปนึกถึงความสวยงามของเขาให้นึกถึงความไม่สวยงามของเขาความสกรปรกของเขาร่างกายนี้มันมีทั้งส่วนที่สวยงามส่วนที่สะอาดและมีส่วนที่สกรปรก ในส่วนที่ไม่สวยงามถ้าเราไปมองส่วนที่สวยงามส่วนที่สะอาดก็จะทำให้เกิดกามารมณ์ขึ้นมาถ้าเราไปมองในส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่สปกปรกมันก็จะดับกามารมณ์ได้ดังนั้นบางเวลาเราอาจจะใช้พุทธโธไม่ได้ถ้าเรามีกามารมณ์มีปัญหาเกิดขึ้นมาทางใจเราก็ต้องใช้อสุภะอสุภะเข้ามาดับมัน หรือเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมาเราก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาต้องให้อภัยต้องไม่จองเวรจองกรรมต้องคิดถึงส่วนที่ดีของเขาต้องให้มีความปาถนาดีกับเขาอย่าไปคิดร้ายกับเขาถ้าเราไปมองส่วนที่ไม่ดีของเขาจะทำให้เราโกรธมากขึ้นแต่ถ้าเรามองส่วนที่ดีของเขาได้ ก็จะทำให้ความโกรธของเราน้อยลงไปหรือให้มองว่าเขากับเราก็ไม่ต่างกันเราเกิดมาทุกคนก็อยากจะมีความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์กันดังนั้นการกระทำของเราบางครั้งบางเวลาก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวเราก็ต้องให้อภัยกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันไม่จองเวรจองกรรมกัน ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะระ ง, งับความโกรธได้ใจก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะภาวนาด้วยพุทโธต่อไปได้หรือด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เรียกว่ากายะกะตาสติต่อไปได้ดันนงนั้นเวลาที่เราภาวนานี้เราก็ต้องรู้จักใช้กรรมฐานให้เหมาะกับภาวะของใจในตอนนั้น ถ้าใจเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เออยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ให้ น, นึกถึงมรณานุสติบ้างก็ได้เออถ้าคิดถึงความตายแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าเหลือสามเดือนนี้ใจมันจะเปลี่ยนทันทีเมื่อก่อนอยากจะสร้างบ้านอยากจะทํานู่นทํานี่พอหมอบอกว่าเหลือสามเดือนนั้ น, น, นไปวัดดีกว่าเอ ไปภาวนาดีกว่าไปทําใจให้สงบดีกว่าเพราะความสงบเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายได้อันนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันแต่ถ้าไม่มีปัญหาใจเราเป็นปกติเราก็ใช้กรรมฐานที่เป็นที่เป็นคู่หูของเราที่ถูกจริตกับเราเช่นถ้าเราถูกกับพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธไปไเรื่อย เพื่อควบคุมความคิดเพื่อทำใจให้ว่างเพื่อทำาัใจให้เป็นปัจจุบันเพราะใจจะสงบได้นี้จะต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าไปอดีตไปอนาคตนี้จะไม่สงบพอใจเป็นปัจจุบันแลวเวลาเราไม่เคลื่อนไหวนั่งเฉยๆร่างกายนิ่งเดี๋ยวใจก็นิ่งตามใจก็เข้าสู่ความสงบได้ความสงบที่เราต้องการก็ต้องเป็นความสงบที่ว่างเปล่า ที่ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ถ้ามีก็ต้องไม่ไปสนใจอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าจะทำให้ใจไม่สงบ พ, พอมีความยึดติดก็จะเกิดความอยากถ้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปถ้าเจอสิ่งที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไปนา น, าน แต่สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าไปอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจใจแทนที่จะสงบ ก, ก็กลับไม่สงบแต่ถ้าใจเข้าสู่ความว่างแล้วจะไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจ เ, เกิดความโลภเกิดความอยากใจจะเป็นอุเบกขาได้ถ้าใจเข้าสู่ความว่างความสงบความไม่มีความคิดปรุงแต่งต่าง สมาธิจังมีสองชนิดที่เรียกว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือพอสงบแล้วก็รับรู้เห็นเรื่องราวต่างๆเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆมากมายกายกองถ้าไปหลงยินดีคิดว่าเป็นของวิเศษแล้วก็จะถือว่าหลงทางแล้วเป็นวิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิไปแล้ว ต้องเป็นสมาธิที่สงบที่ว่างศักด์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะจะเป็นสมาธิที่มีกําลังต่อสู้กับกิเลสตัณหานั่นเองเป้าหมายของเราคือการกําจัดกิเลสตัณหาไม่ใช่ส่งเสริมกิเลสตัณหาถ้าไปหลงยึดอยู่กับนิมิต่ที่มี นิมิตต่างๆก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาการภาวนาเพื่อที่จะกําจัดกิเลสตัณหาก็เลยกลายเป็นการภาวนาเพื่อเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปครูบาอาจารย์ท่านถึงคอยเตือนอยู่เลยว่าให้ละมัดระวังเวลาภาวนาแล้วใจสงบไปรวบรู้อะไรนี้ต้องอย่าไปตามรู้ ให้เดึงใจกลับมาที่ที่ตัวรู้เข้ากลับมาที่ความว่างให้ได้จะเดึงกลับมาด้วยพุโทโธก็ได้จะเด้งกลับมาด้วยสติให้สักแต่ว่ารู้ก็ได้อย่าไปตามรู้ให้กลับเข้ามาสู่อุบเบกขาให้ได้แล้วพออยู่ในอุบเบกขาได้ก็ให้อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะความอุบเบกขานี้ถ้ายิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นเท่านั้น และจะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้เวลาที่เราออกจากสมาธิไปแล้วออกจากสมาธิแล้วใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเพราะตัณหาความอยากมันไม่ได้ตายไปกับการเข้าสมาธิมันเพียงสงบตัวชั่วคราวเหมือนหินทับญ้าเท่านั้นพอออกจากสมาธิมา พอเริ่มมีความคิดปรุงแต่งตันหาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่ า, อ, าอย่าทาตามความอยากเพราะถ้าทําตามความอยากแล้วมันจะไม่มีวันหมดทําตามความอยากแล้วมันก็จะเพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้ที่อยากได้มันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์ตามมา เวลาสิ่งที่ได้มาสูญเสียไปหมดไปหรือเวลาที่ยังอยู่ก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาให้คิดอย่างนี้ก็จะตัดความอยากได้ถ้าถ้าไม่มีอุบเบกขาออกมาจากสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาพอเกิดพอเกิดความอยากแล้วใจมันอ่อนเป็นเหมือนกับเทียนโดนไฟต้องทำตามความอยากทันที ผู้ที่ยังติดอยู่ในบ่วงของตันหาความอยากก็เพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขากันพออยากอะไรปั๊บนี่ใจนี่อ่อนไปหมดเลยแต่ผู้ที่มีอุอเบกขานี่ใจจะแข็งจะใช้ใช้ปัญญาพิจารณาโทษของความอยากได้จะพิจารณาอนิจจังอนัตตาได้จะพิจารณาทุกขังได้ก็จะสามารถาหยุด ตัญหาได้ละตันหาได้นี่คือประโยชน์ของการมีอุเบกขามีสัมมาสมาธิถ้ามีมิจฉาสมาธิออกมานี้จะไม่มีอุเบกขาพอตัญหาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามทันทีอยากจะซื้อรถซื้อรองเท้าก็จะซื้อทันทีมีแล้วกี่คู่กี่คันก็ไม่สนไม่สนใจพอเห็นคันใหม่เห็นคู่ใหม่ก็อยากจะได้ทันมาทันที นี่คือเรื่องของการมีมิจฉาสมาธิถ้ามีสัมมาสมาธิมันจะอยากอย่างไรก็ใช้เหตุผลถามว่าจําเป็นหรือไม่เอามาแล้วมันดับทุกข์เรื่มมันเพิ่มความทุกข์ถามกันตรงนี้เลยถามกันจะจะเลยทําให้ตันหาหมดลงน้อยลงไปแร้วมีตันหามากขึ้นถามมันตรงนั้นเลยมันก็จะได้คําตอบถ้าทําตามตันหามันมันตันหามันไม่น้อยลงไปมันจะมีมากขึ้น การจะทำให้ตัญหามันน้อยลงไปอ่อนลงไปหรือหมดไปก็ต้องไม่ทำตามตัญหาเท่านั้นปัญญามันจะถามกันอย่างนั้นมันจะพิจารากันอย่างนั้นถ้าใจมีอุบเบกขามันถามได้มันมันมีพลังที่จะสู้มีที่จะพิจารณาถ้ามันไม่มีอุบเบกขานี่มันไม่มีพลังเพราะเกิดความอยากนี่เหมือนเทียนโดนไปอ่อนไปหมด นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาจิตต ะ, ะสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธิสัมมาสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาพิจารณา อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อรดละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอพอทำ ได้อย่างนี้แล้วต่อไปกิเลสตันหาต่อให้มีมากน้อยเพียงไรมันก็จะต้องหมดไปเพราะว่าไม่มีการทำตามไม่มีการเสริมตันหามีแต่การตัดอยู่เรื่อยๆโผมาก็ตัดโผมาก็ตัดต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรโผล่มาพอไม่มีอะไรโผ่มาใจก็สบายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตันหาเพราะไม่มีตันหาหลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไป ใจก็สงบเย็นสบายไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปนัญหาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้ทำให้ใจนี่หวั่นไหวแต่อย่างใดเพราะใจมีที่พึ่งมีความสงบตลอดเวลาไม่ว่าลาบยศสรรเสริญจะเสื่อมหมดไปก็ไม่เป็นปนัญหาไม่ว่าญาติสนิทมิตรเสียหายคนที่รักจากไปก็ไม่เป็นปนัญหาแต่อย่างใด ใจมีที่พึ่งแล้วใจได้พบกับความสงบที่ถาวรแล้วจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองนี่แหละคือการเป้านี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมของพวกเราเพื่อสร้างที่พึ่งที่ถาวรคือความสงบใจที่ถาวรที่จะเกิดขึ้นจากการทำทานรักษาศีลภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญานี้เอง ยิ่งขอให้พวกเราจงอย่าหลงประเด็นว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรกันเราทำทางเพื่ออะไรกันรักษาศีลเพื่ออะไรกันภาวนาเพื่ออะไรกันเราทำทั้งหมดนี้เพื่อกำจัดความทุกข์ภายในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้พุ่งไปที่ตรงนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคําสอนของเรานี่ แม้จะมีมากเหมือนน้ำในมหาสมุทรก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่มีรสชาติเพียงรสเดียวก็คือความเค็มฉันใดคำสอนของเราก็มีรสชาติเพียงรสเดียวท่านั้นก็คือการดับทุกนี้เองดังนั้นขอให้เราอย่าหลงประเด็นเราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการวิธีการดับความทุกข์ คือการตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี้เท่านั้นอย่าไปหลงอย่าถูกความหลงหลอกให้เรามาเป็นคนรับใช้ของกิเลสตัณหาทาอะไรก็ทาตามความอยากทาด้วยความอยากต้องทำด้วยเหตุด้วยผลอย่าทำด้วยความอยากไปนานขาดการแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ แล้วต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุรากปริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเเปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนสีฤทษะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมมวัฏานติ อายุวโนสุขังภาลัางครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคนได้จากคุณพิพัฒน์ฐานะครับขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำยังไง ถึงจะหาจริตในการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเจอเออมื่อกี้ก็เทศตอบไปแล้วไงว่าจริตเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ราคะจริตบางหะบางครั้งก็โทสะจริตเวลาเกิดราคะจริตก็ต้องใช้อสุภะถ้าเกิดโมโทสะาจริตก็ต้องใช้เมตตาถ้าเวลาจิตเป็นปกติมันไม่มี อะไรปัญหาอะไรแล้วก็ใช้พุโทโธไปก็ได้หรือใช้กายกตาสติก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้อันนี้ก็มีอย่างนี้เวลามีอารมณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาก็ต้องใช้ธรรมฐานที่ถูกมาแก้ คำถามข้อต่อไปนะครับคุณเมรนะครับถ้าทำให้พระอาบัติบาปหรือไม่เช่นถวายสิ่งของหรือปัจจัยต่างๆถ้าไม่มีเจตนาหรือไม่รู้นี้ก็ไม่บาปถ้ารู้แล้วยังอยากจะแกล้งพระให้เป็นอาบัติอย่างนี้เช่นรู้ว่าพระอยู่สองต่อสองกับศีกายไม่ได้แต่ก็ยังมาอยู่สองต่อสองอย่างนี้ก็บาป อย่างผู้หญิงนี้จะเข้าหาพระนี่ตามบัติไม่ควรเข้าหาตามลําพังควรจะมากันหลายๆคนความจริงแล้วถ้าจะให้ถูกพระวินัยจริงๆนี้ต่อให้มีผู้หญิงน้อยคนก็ยังเป็นอาบัติอยู่ต้องมีผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ผู้ชายก็ต้องไม่ใช่เป็นทารกไร้เรียงษาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็วต้องเป็นเด็กยิ่เป็นคนที่รู้ รู้เดียงสาแล้วยังถึงจะถือว่าไม่อับไม่เป็นอาบัตอันนี้เพื่อป้องกัน ร, รักษาพระไม่ให้อกระทำอาบัตที่ไม่ไม่ควรนั่นเองก็คือพูดเกี้ยวพาลาสีเป็นต้นหรือ้ลยแรงก่บนั่นก็อา จ, จมีการจับเนื้อต้องตัวซึ่งสมัยนี้ก็มีอุบายหลากหลายบางที่ก็ นวดเช่นให้ลงยาให้ทำอะไรให้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอาบัตดใครเป็นบาปกันแน่หรือเป็นด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่รู้ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณสัจจพรนะครับเห็นเวทนาเกิดขนาดนั่งสมาธิจนจะสู้ไม่ได้จึงคิดถึงความตาย ว่าถ้าปวดมากแบบนี้ก่อนตายจะทำยังไง mm hmm. กับกายและใจจึงตัดสินใจทิ้งกายเด็ดขาดเรียกว่ายอมตายแล้วละลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เบื้องหน้าเท่านั้น mm hmm. ก็เกิดปิติน้ำตาน้ำมูกไหลความปวดหายหมดสิ้นลมหายใจเข้าลึกออกยาวมีสติตามดูตลอดเมื่อปิติคลายลงความปวดก็ค่อยกลับมา ขอยมาพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเช่นนี้ถูกหรือไม่คะก็ถูกต้องแล้วไงถ้าเราปรงได้ยอมตายยอมปล่อยวางร่างกายความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บมันก็จะหายไปพอไม่มีความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความทุกข์ใจก็ไม่มีใจก็เข้าสู่ความสงบทุกครั้งเวลาที่เรา เกิดความทุกข์ใจเกี่ยวกับร่างกายเราก็ต้องปรงเท่านั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ไม่ให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไป ความทุกข์ความเครียดที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหายไปใจก็เข้าสู่ความสงบมีความสุขท่ามกลางความเจ็บปวดท่ามกลางความตายของร่างกายเนี่ยที่เขาบรรลุในปากเสือกันเนี่ยเขาบรรลุ ก, กันอย่างนี้โดนเสือกัดแล้วก็บรรลุเลยยอมตาย คำถามข้อต่อไปจากคุณมิกแม็กนะครับเคยเอาผ้าป่าไปทอดสำนักสมแห่งหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระดังที่มีคนเคารพนับถือทั่วประเทศพระเจ้าสำนักสมแห่งนั้นซึ่งมีนักการเมืองพระดังดังยอมรับนับถือได้ตาหนิติเตียนพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งทำประโยชน์ใหญ่หลวงให้ประเทศชาติพระผู้นั้น ผิดพระวินัยหรือไม่จะมีผลในชาตินี้หรือชาติหน้าอย่างไรอันนี้เราไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์การทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษากรรมนี้ไม่ต้องมีผู้พิพากษาไม่ต้องมีศาลทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรมันนั้นมันจะเป็นผู้ตัดสินเอง ทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อถ้าวิาพากวิจารเดี๋ยวก็มีการถกเถียงกันได้ว่าเขาไม่ได้กรรมของเขาเขาว่าไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นกรรมเขาทำความดีอันนี้เราก็เรื่องของกรรมของผู้อื่นนี่อย่าไปสนใจขอให้เราสนใจกรรมของเราเท่านั้นพอใครจะดีจะเชั่อมันไม่ได้ทำให้เราดีเราชั่วเราดูตัวเราดีกว่า ตอนนี้เราดีหรือชั่วหรือเปล่าเราไปวิภากษวิจารณ์เขานี่มันดีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าจะดูโทษให้ดูโทษของเราโทษของเรานี่มันสำคัญกว่าโทษของผู้อื่นคุณของเรานี่มันสำคัญกว่าคุณของผู้อื่นแต่เรามักจะมองโทษของผู้อื่นแม้จะเล็กน้อยเท่ากับเป็นกองเท่าภูเขา ส่วนคุณของผู้อื่นนี่แม้จะมากเท่ากับภูเขาก็เห็นเป็นเพียงผงธุลีในทางตรงกันข้ามเวลาเรามองโทษของเรานี้แม้จะใหญ่ขนาดไหนมันก็เหมือนกับผงธุลีคุณของเราแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเป็นเหมือนผงธุรีก็คิดว่าใหญ่เท่าภูเขาอันนี้แหละคือปัญหาดงั้นอย่าไปสนใจเรื่องคุณเรื่องโทษของผู้อื่น นอกจากศึกษาเพื่อเอามาเป็นบทเรียนเท่านั้นแต่อย่าไปวิภาคษวิจาร์ไปตัดสินเขาว่าเขาควรจะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือผิดหรือถูกอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือดูว่าเราผิดหรือถูกหรือเปล่าดีกว่าดูว่าเราสงบหรือไม่สงบเรามีความอยากหรือไม่มีความอยาก อ้ น, นี้จะดีกว่าดูตรงนี้เท่านั้นเพราะปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่สงบหรือไม่สงบทุกข์หรือไม่ทุกข์อยากหรือไม่อยากเท่านั้นเองดังั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางให้มาสนใจกับเรื่องของเราถ้าเรายังมีปัญหาที่ต้องแก้เราก็ต้องแก้ ถ้าไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ต้องแก้อะไรอยู่ของเราไปตามสบายหมดแล้วแหละท่านท่านนั้นจะถามครับทำใกล้ๆได้ครับเปลี่ยนดังได้เลยถ้าหากว่าต้องทำงานอยู่แบบคนไข้ทียเเป็นปมัเรงเนี่อันนี้ถ้าเราอยากจะแนะงงามเขาสักสิบนาที 15นาทีเพื่อที่ว่าจะใหงเขาอยู่สงบจะไม่ต้องกระจายไปแนะนำก็ต้องอยู่ที่เขาว่าเขาอยากจะรับคําแนะนําของเราหรือเปล่าอเพราะว่าเขามาหาเราเนี่ยเขามารักษาโรคร่างกายเขาไม่ได้มาขอคําแนะนําเรื่องการรักษาใจถ้าเขาขอคําแนะนําก็เราก็แนะนําเขาได้ ถ้าเขาไม่ขอคาแนะนำเราไปแนะนำเขาอาจเขาอาจจะไม่ยินดีก็ได้แทนที่จะเป็นคุณอาจจะเกิดโทษก็ได้มแม้แต่พระนี่ท่านก็มีหลักธรรมเนียมว่าไม่ให้เทศก่อนต้องให้คนเขาอาราธนาก่อนถ้าเขาไม่อาราธนาก็แสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะฟังเทศฟังธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเทศเพราะจะไปสร้างความําคาญใจ อย่างเรานี่ไม่เคยไปบ้านใครไปขอเทศบ้านนู้นบ้านนี้มีแต่อยู่ตรงนี้แล้วใครอยากจะฟังเขาก็มาเองอย่างนี้จะดีกว่าถ้าเทศให้กับคนฟังที่อยากจะฟังนี้จะเขาจะเป็นเหมือนกับห้ายแก้วเวลาเทน้ำใส่แก้วน้ำก็จะเข้าไปในแก้วแต่เวลาเทศให้คนที่ยังไม่อยากจะฟังนี่ก็เหมือนเขาความแก้วเอาไว้เทน้ำใส่เข้าไปมันก็ไม่ติด นองเหลืออยู่ในแก้วเลยเสียเวลาปาปลปาหรืออย่างนองตาที่ท่านเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่าพูดธรรมะให้กับคนที่ไม่สนใจก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขเคยเห็นสุนัขไหมเวลาเทน้ําใส่หลังสุนัขเป็นยังไงจากนั้นก็ต้องดูก่อนว่าคนฟังอยากจะฟังหรือไม่ถ้าก็ไม่อยากจะฟังเราไปพูดนะั้นมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆ ถึงแม้ว่าเราจะมีปางปรปารถนาดีแต่เราก็กำลังสร้างทุกข์ให้กับเราและกับผู้อื่นก็เพราะว่าเราทำด้วยความอยากขอจึงเทศอยู่เรื่อยๆว่าทำอะไรให้ระมัดระวังอย่าทำด้วยความอยากให้ทำด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีเหตุให้ทำก็ทำไปเช่นคนไข้ยอยากจะปรึกษาว่าจะทำ จะทำใจให้สบายได้อย่างไรคุณก็พูดได้เลยเออทอางงทอย่างนั้นทาอย่างนี้ว่าไปแต่ถ้าเขาไม่ถามนี่เราไปไปสอนเขานี่มันก็จะทะเขาอาจจะไม่อยากจะฟังก็ได้อย่าทำตามความอยากให้ทำตามเหตุถ้ามีเหตุให้ทำก็ทำอย่างวันนี้ถ้าไม่มีคนมาหาเราก็ไม่ได้เทศถึงแม่อยากจะเทศเราก็ไม่เทศ อนนี้มีคนมาหามานั่งรอฟังไม่อยากจะเทศก็ต้องเทศ <c oughs> <c oughs> นะซึ่งคุณทราบจากอาป้าปหน่องครับว่าอาคุณอ้วนนะครับพระอาจารย์น่าจะทราบแล้วใช่ไ้มครับคุณอ้วนที่มาทุกเสาร์ทุกเสารอ์อาทิตย์ที่มาจากกรุงเทพครับ เขาได้ลาออกจากงานแล้วเพื่อไปภาวนาอย่างเดียวนะครับออตอนนี้ปีวิเวกอยู่ทางอีสามนั่นแหละงานของเราคืองานภาวนานี่งานของเราอย่างแท้จริงงานอย่างอื่นนี้เป็นงานของกิเลสตัณหากับงานของร่างกายที่เราทำส่วนใหญ่นี้ทำให้กับร่างกายแล้วก็ทำให้กับความโลภความอยากต่างๆเราไม่ได้ทำให้กับใจของเราเลย ใจของเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลามีความสุขก็ประเดียวประดาวเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาซึมเหมือนเดิมเศร้าเหมือนเดิมเหงาเหมือนเดิมว้าเหวเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับใจของเราเราไม่ได้ให้ปัจจัยสี่กับใจของเราไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้เครื่องนุ่งห่มไม่ได้ให้ยารักษาโรคไม่ได้ให้ที่อยู่อาศัยกับใจของเราะ ปัจใจสี่ของใจเราก็คือทานศีลภาวนานี่เองอันนี้แหละการลาออกจากงานก็เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งมาสร้างปัจใจสี่ให้กับใจของเราอย่างเต็มที่ถ้ามีเวลาเต็มที่นี้ไม่เกินเจ็ดปีก็สร้างบ้านนี้เสร็จสร้างที่อยู่อาศัยนี้เสร็จพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้แล้วพยากรณ์ไว้แล้วว่าถ้าปฏิบัติ จะเรีย ส, สมถะภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาด้า น, นี้ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากก็จะต้องบรรลุธรรมออย่างแน่นอนถ้าไม่ขั้นพระอรหันต์ก็ขั้นพระอนาคามีแล้วแล้วการตัดสินใจที่ลาออกจากงานเนี่ยครับอาจารย์ทั้งทั้งที่งานมีความมั่นคงนะครับอ อ, อกมาเพื่อภาวนาอย่างเดียวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้อา น, นิสงส์ตัวไหนครับอาจารย์ได้เวลาไง ได้เวลาเอได้วลาภาวนาเป็นอิสระเมื่อก่อนเป็นทาสของบริษัท ต, ต้องคอยรับใช้บริษัททุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับงานของบริษัทเพื่อผลตอบแทนเพื่อที่เราจะได้มารับใช้กิเลสตัณหาของเราอีกทีหนึง่งเราเลยเป็นทาสทั้งเป็นทาสของบริษัทแล้วก็มาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกเป็นทาสของร่างกายอีกไม่เคยทําอะไรให้กับตัวเราเองเลย เพราะเราไม่รู้ตัวเราเองว่าเป็นใครนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนให้เรารู้จักตัวของเราที่แท้จริงเราก็จะมัวแต่ไปรับใช้ตัวปลอมของเราคือร่างกายของเรากิเลสตัณหาของเราอันนี้เป็นตัวปลอมของเราไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของเราก็คือตัวรู้ตัวรู้ต้องการอย่างเดียวก็คือความสงบถ้าต้องไปรับใช้ผู้อื่นนี้ ตัวรู้ก็จะไม่มีวันที่จะสงบดังนั้นการที่ได้ออกจากงานนี่ก็ถือว่าเราได้ปลดปลื้องอความเป็นทาสของเราให้เป็นอิสระให้เรามีเวลาม า, าสร้างที่พึ่งทางใจกันามาภาวนากันเราไม่ต้องหาไม่ต้องทำมาหากิน พ่าเราก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเราได้แล้วเราก็พอแล้วเอาเวลานี้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะผลที่เราได้จากการปฏิบัติธรรม น, นี้อยู่ภายในใจไปกับเราเวลาร่างกายนี้ตายไปใจไปนี้ใจไม่ได้ไปเปล่าๆแล้วใจไปกับผลที่ได้ปฏิบัติมาแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเลยมัวแต่ทําให้กับร่างกาย กับตันหากิเลสเวลาไปนี่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนอกจากเอากิเลสตันหาที่เป็นเจ้านายติดตัวไปไปเกิดภพไหนชาติไหนก็ต้องไปรับใช้กิเลสตัหาต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้าปฏิบัติทำแล้วเราจะกำจัดกิเลสตันหาให้หมดไปจากใจตัวที่เป็นเจ้านายเรานี่มันจะถูกทาลายไปหมดเราก็จะเป็นอิสระ การเป็นอิสระนี่หละเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความกดดันจากกิเลสตัณหาต่างๆที่ทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะความกดดันของกิเลสตัณหานั่นเองพออยากเที่ยวนี้ก็ก็เครียดแล้วพออยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เครียดขึ้นมาแล้วพออยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เครียดขึ้นมาแล้วอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเครียดขึ้นมา เราทำลายกิเลสตัณหาเหล่านี้หมดไปจากใจแล้วจะไม่มีความเครียดเลยจะรู้สึกเฉยเฉยสบายสบายใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่อยากเป็นด้วยร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่วุ่นวายไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ของคนนั้นคนนี้ของเราก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าเราไม่มีความอยากไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับเราอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นของเราคือใจที่สงบใจจะสงบได้ก็ต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างตัดทุกอย่างถ้ายังยึดติดกับอยู่กับสิ่งใดก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้น เพราะสิ่งนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมซึ่งเราก็อยากจะให้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อมพอเกิดการเสื่อมขึ้นมาก็เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ว, วันนี้พระอาจารย์พูดเรื่องอการปิดทองหลังพระครับพระอาจารย์จากที่ผ่านประสบการณ์มาการทำบุญเพื่อให้ผู้อื่นเห็น หรือเรียกง่ายๆการทำบุญเอาหน้าเนี่ยครับนึกถึงทีไรกลับมานึกถึงทีไรเนี่ยมีแต่จะสร้างมานั่นให้ตัวเองมีแต่จะสร้างกิเลสเพิ่มให้ตัวเองสร้างความร้อนให้ตัวเองแต่ถ้าทำบุญหลังด้วยการติดทองหลังพระเนี่ยนึกถึงบุญตัวนั้นทีไรมีแต่ความเย็นมีแต่ความรุ่มลึกอ่ามีแต่ความสุขนานไม่มีหมดนะครับอาจารย์ ก็นั่นแหละเพราะว่านี่เป็นการเป็นการทําบุญที่ถูกทางเนี่ยเป้าหมายของการทําบุญก็เพื่อความสุขใจอิ่มใจไม่ใช่เพื่อเอาหน้าเอาตาเอาสารรเสริญยกย่องรับรางวีรางวัลกันหรือรับผลตอบแทนกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญเขาเรียกเอาเรียกเอาเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวกัน เหมกัเราไปซื้อของที่ร้านนี้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันเราอางเงินให้เขาเขาก็ให้ของเรามาแต่ไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งใจสุขใจแต่อย่างใดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทําบุญเพื่อเราต้องการสิ่งตอบแทนมานี้เราจะไม่เกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่มใจสุขใจเลยดีใจเสียมากกว่าอทําบุญแล้วได้ไอนันต์กลับมาคนเขายกย่องกล่าวชื่อเราประกาศชื่อเรา ว่านายกรนายขอวันนี้บรจากเงินเท่านั้นเท่านี้พอได้ยินชื่อคนนี้ก็ดีใจแล้วแล้วก็หมดไปก็เท่านั้นเองเหมือนกับเราไปซื้อของมาเราก็ดีใจได้ของมาเราก็ดีใจแต่และมันก็หมดไปของนั้นก็หมดความหมายไปอยากจะดีใจอีกก็ต้องซื้อใหม่แต่บุญที่เราทำนี่บางทีผ่านไปหลายวันแล้วหลายเดือนแล้ว เรานึกถึงมันทีไรก็เราก็ยังมีความอิ่มใจสุขใจอยู่อย่างเงินเราจะช่วยลดละความอยากให้น้อยลงไปด้วยความอยากที่จะมีหน้ามีตาอยากมีชื่อมีเสียงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปนั้นขอให้เราทำบุญแบบปิดทองหลังพระกันทำเพื่อตัดความโลภ ตัดความยดติ่นตัดความเห็นแก่ตัวตัดความตนีซึ่งจริงๆแล้วครับการทำบุญเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำบุญกับวัดหรือทำบุญกับพระอรหันต์พระอริยเสมอไปแต่ทำบุญกับ ส, สถานที่ที่จำเป็นหรือองค์กรที่จาเป็นเนี่ยที่เขาจำเป็นจริงๆเนี่ยก็สามารถสร้างพิติอันมากมายได้เหมือนกันครับอาจารย์โดยที่ไม่จาเป็นต้องมี เเป็นให้ทําบุญ ล, ลย ค, คือทําบุญนี้มันมีอันนี้สองสองสงประการนี่ประการแรกก็คือที่เราพูดกันเนี้คือความอิ่มใจสุขใจเนี่ยเราทํากับใครก็ได้แม้แต่เดรัจฉานเราก็ได้ความสุขใจอิ่มใจช่วยหมาหมาหมาจลระ จ, จรักอย่างนี้ก็ทําให้เขามีที่อยู่มีที่พักมีอยู่ดีกินดีเราก็มีความสุขใจเหมือนกัน เหมือนกับเราใส่บาทพระก็เหมือนกันพระก็เหมือนเหมือนกับสุนัจรจัดดีๆนี่องก็ต้องออกไปขอทานไปรับการเลี้ยงดูจากผู้่แต่นอกจากผลที่เราได้รับทางจิตใจแล้วนี้มันยังมีผลอีกอันหนึ่งที่เป็นผลภายนอกผลที่บุคคลที่เราทาบุญด้วยนี้ที่เราให้ความช่วยเหลือนี้ก็จะทำให้ต่อให้กับสังคมต่อไปหรือให้กับเรา อันนี้มีผลอีกอันหนึ่งตรงนี้อันนี้ต้องเลือกคนแหละถ้าเราอยากจะได้ผลที่ดีเราก็ต้องทำบุญกับคนที่มีความดีมีความรู้ความสามารถมากเช่นให้เลือกระหว่างทำบุญกับพระกับทำบุญกับโจรอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นต่างกันทำบุญกับพระพระก็จะทำนุ บ, บารุงพระพุทธศาสนาศึกษาปฏิบัติธรรม ท่านอาจจะศึกษาจนบรรลุธรรมแล้วท่านก็เอาธรรมะที่ท่านบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับเราได้แต่ถ้าเราไปทําบุญกับโจรโจรก็ไปซื้ออาวุธมาแล้วก็กลับมาป้วนเราทีนั้นการทําบุญกับคนก็ต้องเลือกเหมือนกันไม่ใช่ว่าทํากับใครก็ได้แต่ถ้าทําโดยหลักของมนุษยธรรมนี้ได้เช่น แม้แต่โจรเจ้าหน้าที่ตํารวจเวลายิง โ, โจรผู้ร้ายเจ็บคไข้ได้ป่วยเขายังต้องเอาไปรักษาพยาบาลเขาไม่ปล่อยให้มันตายไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนชั่วสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่เขาก็ต้องเอาไปรักษามันโดยหลักมนุษยธรรมอันนี้ก็เป็นการทําทานเหมือนกันรักษาให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ต้องจับขังไว้ในกรงต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาคอยคุม ไม่ปล่อยให้เขาพอหายแล้วก็หนีไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกนี่คือเรื่องของการเลือกบุคคลเวลาทำทานนี่เราก็มีสองหลักถ้าหลักมนุษยธรรมคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นไฟไหม้น้ําท่วมเราไม่ไปเลือกใครแล้วคนรวยหรือคนจนถ้าน้ําท่วมไฟไหม้นี่เขาเดือดร้อนกันเรามีข้าวปลาอาหารมีเครื่องใช้ไม่สอยก็เอามา แจกจ่ายช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนกันจะเป็นโจรหรือไม่เป็นโจรหรือจะเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีความต้องการในปัจจัยสีนี้มีเหมือนกันอันนี้เราไม่เลือกคนทำแบบนี้เลือกก็ไม่เลือกแต่เวลาเราทำอีกแบบนึ่เราต้องเลือกถ้าเราอยากจะให้เกิดประโยชน์กับเราและกับสังคมต่อไปดังนัท่านก็มีมีการพูดเปียกเปืยว่า ทำบุญกับคนธรรมดาได้หนึ่งเท่าทำบุญกับพระทรงศีลได้สิบเท่าทำบุญกับพระท <c> ร <oughs> งธรรมเ <c oughs> ช่นพระสวสดาบาลก็ได้ร้อยเท่าพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอรหันต์ก็ได้แสนเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าเนี่ยเพราะท่านเหล่านี้มีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับเหล่านี้ตางกันเราฟังธรรมจากคน คนธรรมดานี่ฟังจนตายก็ไม่มีวันบรรลุทำได้แต่พอไปฟังกับพระพุทธเจ้านี่ฟังหนงเดียวอาจจะบรรลุทำขึ้นมาเลยก็ได้อันนี้มันต่างกันตรงนี้แต่ น, นี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราเลือกทำเพื่อเราเราต้องการผลตอบแทนแต่มันเป็นเรื่องของการจำความจำเป็นเหมือนกันเพราะเรายัางต้องมีที่พึ่งทางใจอยู่เราก็ต้องทำกับคนที่เขารู้จักสร้างที่พึ่งทางใจ เราไม่ทําก็ได้ท่านเหล่านี้ถ้าท่านก็ไม่เลือกว่าใครจะมาทําหรือไม่ทําถ้ามาหาท่านท่านก็จะสงเคราะห์เหมือนกันหมดมาแสดงทำเหมือนกันหมดคนบริจาคห้าบาทก็ได้ฟังเหมือนกันคนบริจาคห้าร้อยก็ได้ฟังเท่ากันไม่มีราคาเรื่องของการฟังธรรมเพราะธรรมนี้ท่านถือว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะนีิชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะเท่านั้นที่จะทําให้ จิตใจหลุดพ้นจากความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งของต่างๆในโลกนี้ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถที่จะปลดใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นการให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สูงสุดสูงสุดกว่าศี สูงสุดยิ่งกว่าลาบยศสรรเสริญยิ่งกว่ารูปเสียงกลิ่นรสปวดพะธรรมะจึงต้องเป็นการให้โดยเปล่าไม่มีการมีราคาหุ้งตานี่ท่านเขียนไว้ในหนังสือท่านยกเนินว่าธรรมะนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้การที่จะเอาธรรมะมาเป็นสินค้าซื้อขายนี้ไม่เป็นการกระทำที่ถูกธรรมะนี่ต้องให้เพียงอย่างเดียว เมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยมีการแจกหนังสือธรรมะกันมีน้อยมากหนังสือธรรมะนี่จะมีแต่ขายกันคนหาสวงหาประโยชน์จากหนังสือธรรมะกันนาหนังสือธรรมะมาเขียนมาแต่งกันแล้วก็ขายกันตามท้องตลาดมายุคหลวงตาเนี่ยท่านแจกอย่างเดียวตอนนีวนี้เลยกลายเป็นธรรมเนียมเรื่องการให้ธรรมะเป็นการให้เป็นการแจกไม่มีการซื้อขายกัน องเงยพอแล้วยัง อ, อ, อแล้วนะอากายอยากจะไปได้เชิญตามสบายร อ, อ, อสมควรแก่เวลาแล้วมีอะไรไหมเนี่ยที่นั่งอยู่กางนี่มีเวลามีอะไระหรือรเปล่า การอยากจะสอนธรรมะนี่ก็เป็นกิเลสนะคนที่สอนธรรมะจริงๆนี่ไม่อยากจะสอนอ่ะแต่สอนตามเหตุตามวาล่ะพระพุทธเจ้านี่ตอนต้นก็ไม่อยากจะประกาศก็ทำคําสอนนเพราะมันยากถ้าคนไม่สนใจจริงๆนี่ยากต่อการที่จะได้รับประโยชน์ท่านจึงเลือกคนคน โอ้ยเป่าอะไรนี่ไม่ใช่เป็นพญานาคเนี่ยเป่ามาต้องชั่วมองกว่าเราไม่รู้ เ, เนี่ยฟังสิฟังทำนี่แหละเข้าใจเออสอนให้ทําดีเอคิดดีพูดดีทดําดีเอาไปทําแล้วมันก็ดีเองอเป่ามันมันลมปากมันจะทําให้คนดีได้ยังไงไม่ดีไม่ได้หรอกเข้าใจไห ม, มหรือว่าไปรักษาศีลน้วย รักษาศีลห้าให้ดีฮรับอุตสาเป่ามาต้องชั่วโมงครึ่งแล้วเรื่องเรื่องการอยากแสดงแสดงธรรมข้าพเจ้ารู้จักพระถึงรูปหนึ่งข้าแสดงธรรมบ่อยครับท่านบอกวันไหนอยากแสดงธรรมจะไม่แสดงธรรมก็แบบเหมือนกับว่าไปอยากคนทําไมเลยวันไหนไม่อยากถึงจะแสดงธรรมอะครับอืม ทำใจให้สบายน ะ, ะทำบุญไปเรื่อยๆออไม่ต้องไปกังวลกับอะไร อ, ะ, อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด อะไรจะเป็นได้มันเป็นถ้าเราห้ามมันไม่ได้ถ้าห้ามได้ก็ห้ามถ้าไม่ได้ก็เหมือนฝนตกแดดออกนีถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะทุกข์ไปเปล่าๆจะเปลี่ยนมันไม่ได้จะห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้ฝนมันจะตกก็ตกไปร่างกายมันจะปวดท้องเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บไปเราไม่ได้เจ็บใจไม่ได้เจ็บ ร่างกายเจ็บแต่ใจไม่ต้องเจ็บตามใจเจ็บเพราะอยากให้มันหายเจ็บยิ่งอยากให้มันหายก็ยิ่งเจ็บใหญ่เน้นต้องทำใจดีสู้เสือทำอะไรมันไม่ได้เสือมันใหญ่ก็บเราเราก็ต้องนั่งเฉยๆดูมันไปถ้าเราเฉยแล้วมันก็จะไม่มากัดเราออ่งั้นแหละต้องไปเที่ยวบ่อย <laughs> พอเที่ยวแล้วมันต้องเที่ยวอยู่เรื่อยมันถึงจะสบายพอมันอยู่เฉยๆปั๊บมันจะไม่สบายทันทีเออ ได้าแบบทบุญธรรมดาเงมากสมัยก่อนเรางืออาจารแค่เพื่อยากได่ก็ได้มาไปทาบุญแล้วก็ให้มาตัวได้ได้เพ่อกป็นได้่ได้มาแล้วนะตั้งเวลาผ่านจะเป็นสิบสิบปีก็มีคนอยากได้เขาไม่ใช่มาแลเปลี่ยนไม่ได้ขาเราจะให้ตับใจเข้างนูน้ให้ไหมอะไรเดี๋ยวของก็คิดว่าเออเก็บไว้ก็อาจงาม ไม่ได้อะไรปัจจัยตรงนั้นเขาได้มาแล้วเอาไปทําบุญต่อเนี่จะบาปมันโลภเนี่ยมันก็อ้างว่าเอาไปทําบุญต่อ่อนมาแล้วมันจะไปทําหรือเปล่าก็มไม่รู้ทําก็ให้เข้าไปเลยหมดเรื่องไม่ต้องทําไม่ใช่ก็ให้เงินเขาให้ของเข้าไปก็ทําบุญแล้วไง ม, มันก็เหมือนกันแตาไม่ต้องไปเอาเงินก็มาทําบุญเด็กอีกต่อให้มันเหนื่อยไปเปล่าถ้าจะทําบุญจริงก็ให้ไปเลยสิก็ทานไงอจะไม่ต้องเอาเงินมาทําไมกัน กิเลสมันมันยากโยนท่างบอกมันมบอกว่าเป็นการเอามาทำทานเอามาทำบุญต่อแต่มันก็ยังโลภยังอยากได้แต่ว่าได้ามาแล้วบางทีมันก็สองจิตสองใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอนานเข้านานเข้าเออชักมีปัญหามีเรื่องอยากต้องใช้เงินขึ้นมาอ้าวไม่ไม่เอาไปทำเสียแล้วมันเออ คือถ้าถามเราแล้วก็บอกว่าให้เขาไปเลยมันก็เป็นการทําบุญเสร็จไปในตัวอยู่แล้วนำไมต้องมาทำสองต่อสา ม, มต่อทําไมทํำไม้องเงินเข้ามาแล้วไปทําบุญอีกทีเทำไมก็ให้เขาไปเลยก็หมดเรื่องแล้วเขาเจะเอาเงินที่เขาไม่ได้มาให้เรานี้เขาเจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเพราะอย่างที่เทศใด้ฟังแล้วเราเราเร า, เราทําทานเพื่อให้มันมีเงินน้อยไม่ใช่มันมีเงินมากมีเงินมากมันก็ต้องมาเสียเวลาทําทานต่อให้มันหมดอีกอยู่ดี ใน เ, เมื่อเขาอยากจะได้ให้เขาไปเลยให้เขาเราเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาก็จบแล้วถ้าให้เขาได้เอาเงินเข้ามาแล้วก็ไม่มีความสุขใจแต่อย่างไดแล้วเราก็ต้องไปหาที่ทาบุญอีกนะถ้าทำไม่ถูกที่เดี๋ยวก็เสียใจขึ้นม่อีกคก็ทำมั น, น, มนมตอนนั้นเลยก็มาขอเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเลย อันนี้แหละเป็นข้อสอบของเราว่าเราให้เราให้ได้หรือเปล่าเราสละได้หรือเปล่าเรายังตันดียังหวงอยู่หรือเปล่ายังอยากได้เงินเป็นของตอบแทนอยู่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระสมัยนี้เจ้าแพงขนาดนี้ครับก็มีของรุ่ น, ร, นรุ่นพี่ที่เป็นญาติกันนะ่ะของหลวงปู่อะไรไม่รู้ครับ ประกาศขาย17ล้านเหรียญหรืเหรียญ เ, เดียวครับแบบท่าอะไรเนะี่ย17ล้านไม่เคยเห็นเะแล้วอยู่กับเราเราก็ไม่รู้จักมันเป็นสมมุตินะราคานี่มันเป็นสมมุติของมันไม่มีราคาหรอกมนุษย์เรามาสมมุติมันขึ้นมาเองของมันก็เป็นของมีอยู่มาดั้งเดิมเป็นดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุที่ถ้ามีความต้องการมากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีราคามากขึ้นไปเท่านั้นเอง นั่นแหละความหลงเี่ยความหลงทําให้ไม่คิดว่ามันเอามาทมําไหมมันเอามาดับความทุกข์ได้หรือเปล่ามันไม่คิดกันเขาในโลกนี้ดับความทุกข์ไม่ได้นะเขาที่จะดับความทุกข์ได้ต้องเป็นธรรมะเท่านั้นเองเอพอแล้วพ่อพอแล้วถึอเอเอ